คับต่อไปเป็นคําถามจากทางเฟซบุ๊กนะครับผ่านทาง f เฟซบุ๊กของพระอาจารย์สุชาติอภิชาตโตนะครับคําถามของคุณคุณลับนะครับทํายังไงถึงจะรู้สึกสนุกและรักในการปฏิบัติคะสาธุค่ะเราต้องทําให้ได้ผลนะถ้าได้ผลแล้วมันมันมันสนุกมันก็ทํางานแล้วได้เงินเดือนนี่มันสนุกถ้กทาทำแล้วไม่ได้เงินเดือนนี่มันท้อนน อ, อันนี้ต้องทำให้มันได้ผล วิธีจะได้ผลก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจทำแบบมืออาี่ถ้าทำแบบมือสนับเล่นก็จะไม่สนุกเพราะมันยังไม่เห็นผลคำถามต่อไปนะครับจากคุณอาน o น, นะครับกราบหลวงพ่อครับคืออยากรู้ว่าจิตไม่นิ่งมันฝ่ายไปใสมาครับเพราะไม่มีสติไม่เจริญสติไม่บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่างเก่าเรื่อง หรือไม่ต้อาดูร่างกายอย่างต่อเ น, นื่องหรือไม่มีอะไรผูกใจเหมือนกับเรือไม่ได้ทอดสมอต้องมีสมอทอดไว้กรรมฐาน40นี่เป็นเหมือนสมอเรือของใจจะเลือกใช้อันไหนก็ได้จะใช้การบริกรรมพุทโธก็ได้ใช้การสวดอิอิปิโสก็ได้จะนับหนึ่ง6สาี่้าไปเรื่อยๆก็ได้จะท่องอาการ32ผมขดเล็บฟันหนังเลื่ อ, อนกระดูกไปก็ได้ ขอให้มีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวใจก็จะไิ่งเองคำถามข้อต่อไปจากคุณมิยาโกะนะครับกบราบหลวงพ่อคะ่ะหลวงขอวิธีการปฏิบัติทําสมาธิเบื้องต้นจากสูงค่ะกราบขอพระคุณคะ่ะก็ขอให้ฟังเท็กที่เราแสดงไว้เรื่อยๆกันแล้วกันการปฏิบัติก็ต้องมีทานก่อนาจต้องใจบุญสูนทานไม่ใช้เงินทองไปซื้อความสุข อากลูกเสียงกลิ่นรสให้เอาเงินทองที่ซื้อความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสนี้มาทําบุญทาทานก็จะทําให้ใจสงบทําให้ใจไม่หิวกับลูกเสียงกลิ่นรสทําให้รักษาสิ้นแปดได้พอรักษาสิ้นแปดได้ก็จะมีเวลาเข้าวัดได้เจริญภาวนาเจริญสติได้พอเจริญสติได้ก็นั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ใจสงบก็ใช้ปัญญาบรรลุได้ คำถามข้อต่อไปจากคุณปรีชาวันนะครับอนาคามีผลละกามกุลห้าหมดรวมทั้งเมถุนสังโยจเจและปฏิฆะไหมครับกับนมัศการครับละหมดละกามรมาลาคะปฏิฆะับสังโยกบื้องเบื้องเบื้องเบื้องต่ำหข้อก็คือสกายะทิฏฐิวิจิกิจชาสิลปาาัจจตปธรรมะกามรมาลาและปฏิฆะ ซึ่งเป็นเรื่องของร่างกายที่ได้สอนในเมื่อวันนี้ที่ให้พิจารณาอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็เพื่อล ะ, อะสักกายทิฏฐิละศีลพัฒละวิจิกิจฉาแล้วได้พิจารณาอาสุภะเพื่อละปฏิฆะกับละการมราคะถ้าเห็นอสุภะแล้วก็จะไม่มีการมาราคะพอไม่มีการมาราคะก็จะไม่มีปฏิฆะความหงุดหงิดํำคาญใจ คำถามข้อต่ อ, อไปนะครับจากคุณโกซัมนะครับเวลาปฏิบัติเกิดเวทนามากๆจนเกือบทนไม่ได้แต่อุเบขาต่อไม่ยอมขยับขยื่นนานจนความปวดหายวัดไปกับจิตที่มีสติตามรู้นั้นควรวางใจอย่างไรดีคะแต่ตอนนั้นรู้สึกแปลกใจและตกใจระคังหมดเวลาพอดีก็จะเป็นงานกระทําที่ถูกแล้วควรจะนั่งต่อไปถ้ามัน ถ้าใจเป็นอุเบกขาแล้วมันจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บปวดของร่างกายตอนนั้นจะนั่งต่อไปได้อย่างสบายเหมือนกับไม่มีเวทนาเลยถึงแม้ว่าเวทนายังสร้างอยู่ก็ตามแต่ใจจะไม่รสำสั่มรำสายไม่วุ่นวายไปกับความเจ็บปวดของร่างกายถ้าใจเป็นอุเบกขาถ้าทําได้ครั้งหนึ่งแล้วก็ควรจะทําทต่อไปทุกครั้งเวลาด้านแล้วเกิดความเจ็บก็พยายามรักษาอุเบกขาไปด้วยการ บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปหรือถ้าเราดูลมก็ดูลมต่อไปหรือจะใช้การสวดมนต์ก็ได้ใช้อะไรก็ได้ที่จะดนินใจไม่ให้ไปวุ่นวายกับความเจ็บปวดของร่างกายจนจะทั้ง ใ, ใจปล่อยวางได้อันนี้เรียกว่าเป็นอุบายของสมาธิการใช้คาบริกรรมการใช้การสวดมนต์หรือการใช้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง อ, อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นเครื่องถูกใจไม่ให้ไปวุ่นวายกับความเจ็บของร่างกาย ถ้าอยากจะใช้อีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าทุกขเวทนานี้เป็นอนัตตารเราไปห้ามเขาไม่ได้เราไปสั่งเขาไม่ได้และความทุกขของเรานี้มันเกิดจากความอยากให้ความทุกขเวทนานี้หายไปถ้าเราไม่อยากจะทุกขเราอยากจะอยู่กับทุกขเวทนาได้อย่างไม่เดือดร้อนเราก็ต้อง ห, blind, ạt, ตงหยุดความอยากเหมือนกับที่เราหยุดความอยากอยากไม่ตายให้ได้อยากไม่เจ็บก็เหมือนกันอยากไปอย่างไม่เจ็บ มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปไม่ต้องกลัวความเจ็บความเจ็บมันทําลายเราไม่ได้เราอยู่กับมันได้เราไม่รู้ความจริงอันนี้เพราะว่าเรามีความเกลียดมันมาฝังเลือดอยู่ในใจพอเจอความเจ็บปั๊บอยากจะหนีจากมันไม่อยากจะให้มันหายทันทีตอนนี้ถ้าเรามีสมาธิแล้วเราจะสามารถใช้ปัญญาสองใจได้ว่าไม่ต้องไปกลัวมันมันทำลายเราไม่ได้คําถามข้อต่อไปจากคุณสินทร์ทรันะครับ การมีสตริรู้ตัวทําให้ไม่ง่วงนอนเหมือนคนนอนไม่หลับและไม่เพียจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้เกิดความพอดีและสามารถใช้สติดังกล่าวในการพิจารณาทมอย่างไรจะยกทาขึ้นมาพิจารณาเองหรือว่าจะคอยให้ทำเกิดขึ้นมาเองกรุณาให้ําทีนีด้วยค่ะคือถ้าเรามีสติน่าใจจะตื่นก็แสดงว่าความเพียเรามีความแก่กล้าขึ้น ก็ขอให้เราปฏิบัติไปเต็มที่เลยสามวันสามคืนไม่นอนได้ยิ่งดีใหญ่ไม่ต้องกลัวเมื่อถึงขั้นอย่างแล้นร่างกายมันไม่ไหวจริงๆมันก็จะมันก็จะหยุดพักไปเองปัญหาไม่ได้อยู่ที่การมีสตินล้วมีการเติมปัญหามากักจะมีการง่วงเหงาหานอนใช่มากกว่าดัางนั้นขอให้เราดีใจว่าเราไม่ง่วงนอนเราไม่เกลียดกา้างเรามีสติมีความขยันหมั่นเพียรเราปฏิบัติได้ กี่ชั่วโมงกี่เวลาก็ปฏิบัติไปเลยไม่ต้องกลัวว่าเป็นการสุดจอมใจอย่างใดอันนี้เป็นพลังของธรรมปฏิบัติไปแล้วถึงเวลามันพอร่างกายมันไม่ไหวจริงๆมันก็ต้องหยุดไปเองหยุดพักผ่อนแล้วต่อไปเราจะรู้ความพอดีของร่างกายว่าร่างกายท่านกายพักผ่อนมากน้อยเพียงไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวเพราะนี่แหละเป็นการปฏิบัติที่ถูกแล้ว ไม่ได้ถามอะไรถามอคำาเม่อกีถามแบบคำถามข้อเมื่อกี้นะครับอ่าการมีสติรู้ตัวทําให้ไม่ง่วงนอนเหมือนคนนอนไม่หลับแต่ไม่เพียจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้เกิดความพอดีและสามารถใช้สติดังกล่าวในการพิจารณาทำได้จะยกทำขึ้นมาพิจารณาเองหรือว่าจะคอยให้ทำเกิดขึ้นมาเอง คนใหญ่เราต้องยกคำถาขึ้นมาพิจารณาเช่นพิจารณาร่างกายว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่การปรากฏของถามขึ้นมานี้ก็มีโอกาสปรากฏขึ้นได้เหมือนกันบางเวลา้ก็จะปรากฏ็นร่างกายเรานอนตายอ ย, อยู่ก็เป็นไปได้เราไม่ต้องรองเราควรจะพิจารณาอยู่เรื่อยๆถึงความจินของร่างกายว่าร่างกายต่อไปจะต้องแก่หนังต้องเหี่ยวผมต้องหงอกนัหนังต้องค่อน โรคภัยไข้เจ็บต่างๆเดียดเบียนแล้วต่อไปก็ต้องไปนอนในโรงศพต่อไปก็ต้องถูกเขาจัดเข้าไปเ้าในเตาก็พิจารณาไปยังไงเท่ากายเป็นที่เท่ากายเป็นเศษ ก, กระดูกไปเลยให้พิจารณาอย่างนี้ไปอย่ารอให้มันปรากฏขึ้นมาเพราะถ้ามันไม่ปรากฏเราก็จะไม่ก้าวหน้าแต่ถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเวลามันปรากฏขึ้นมาเราจะรู้จักวิธีปฏิบัติมาเราจะมีอุเบกขาปล่อยวางมันได้ ถ้าเราไม่เตรียมตัวสอนมันไวก่อนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วอาจจะตกใจกลัวถึงไม่กล้าจะปฏิบัติต่อไปก็ได้คำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณยูแคนลุกบัตดอนทักนนะครับถ้าผมเป็นลูกแล้วพ่อแม่มีเงินทองแล้วอยู่อย่างไม่ลำบากผมจะหนีออกมาปฏิบัติธรรมโดยไม่ใช้แรงกายดูแลปฏิบัติขัน้นแต่นีมาบวชเสียหนีมาเอามักผลและนิพพานเสีย ผมจะถือว่าใจไม้ไส้กรรมไม่ดูแลพ่อแม่ยามแก่เท่าหรือเปล่าครับถ้าพ่อแม่เขาอยู่อย่างสุขอย่างสบายดูแลตัวเขาเอางได้ก็ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปดูแลเขาแต่ถ้าเขาอยู่ในช่วงที่เขาต้องมีคนดูแลแล้วไม่มีใครดูแลนอกจากเราอันนั้นเราก็ต้องดูแลเขาไป แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็อยู่ของเขาได้คุณบาอาจารย์ท่านก็มีพ่อแม่กันทุกคนท่านก็ไปบวชกันและท่านก็กลับมาดูแลพ่อแม่ต่อได้น่าจต่พ่อแม่ตายไปแล้วยังดูแลได้เช่นพระพุทธเจ้าหลวงพ่อพุทธมารดาตายแต่ตั้งแา่ตอนที่ประสูติพรพุทธเจ้ามาเพียงเจ็ดวันหลังจากที่พระพุทธเจ้าก็จรู้แล้วก็ยังเสด็จไปบนสวรรค์โดยทางกระแสจิตติดต่อกับพระพุทธมารดา ทรงสั่งสอนพุทธมารดาให้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ออกบวชก็จะไม่มีวันที่จะสามารถสอนพุทธรารดาไดทัด้งนั้นการที่ปล่อยให้พ่อแม่อยู่ตามลาพังของเขาและเราไปบวชนี้ไม่เป็นเรื่องของการเห็นแกตัวแต่อย่างใดขอให้เราเห็นว่าการบวชนี้เป็นเหมือนกับการไปรักษาโรคใจเราเป็นเหมือนคนไ ข, ข้เวลาเราร่างกายเจ็บไข้ได้สวยเราจะอยู่เข้าดูพ่อแม่เราได้ไหม เราก็ต้องไปรักษาตัวเราที่โรงพยาบาลรักษาจนกว่าจะหายหายแล้วเราก็มาดูแลพ่อแม่ของเราต่อสันดาจใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกายที่ต้องรับ ก, การดูแลรักษาเช่นเดียวกันใจของเราทุกคนตอนนี้เป็นโรคใจเป็นโรคจิตกันโรคของความทุกข์กันเราต้องไปรักษาให้หายทุกข์ก่อนพอเราหายทุกข์แลทีนี้เรากลับมารักษาพ่อแม่เราได้ ดีกวารักษาร่างกายร่างกายเป็นของชั่วข่าวแต่ใจนี้เป็นของถาวนถ้ารักษาได้แล้วมันจะหายไปตลอดอนันตกาลไม่ต้องมาเจ็บไม่ต้องมาเป็นโรค ก, กิดโรคใจต่อไปถ้ารักษาเพียงร่างกายไม่รักษาใจใจโรค ก, กิดโรคใจก็ยังมีอยู่ไปทุกภพทุกชาติดังนั้นการที่เราไปบวมนี้เหมือนกับไปรักษาใจเราไปศึกษาวิธีรักษาใจของเราและของผู้ เรารักษาของเราได้นะเราก็มารักษาใจของผู้อื่นต่อไปได้พ่อแม่ของเราจะได้รับประโยชน์มากกว่าการที่เราจะอยู่เล่นดูการสนทิทถ้าเราไปบวชแล้วเราไปปฏิบัติจนบรรลุธราได้เราก็จะกลับมาปรดพ่อแม่ได้เหมือนกับครูบาอาจารย์ต่างๆเหมือนพระพุทธเจ้าพอท่านบรรุแล้วนะท่านก็มาปรดพ่อแม่ญาติพี่น้องและไม่มีพระญาตของพระพุทธจเจ้าเสด็นออกบวชการต้งหลายระ อ, อ พ่อก็ได้บรรลุเป็นพออระอรหันต์แม่เลี้ยงก็เป็นพออระอรหันต์ลูกก็เป็นพออระอรหันต์ถ้าไม่บวชนี้ไม่ลีขิตเป็นเลยแม้แต่คนเดียว